ในไงเรื่องจิตใจเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราคุมอยู่ไหมไม่อยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเนี่ยเวลาเจอข้อสอบแล้วเป็นยังไงนี่ยังเป็นข้อสอบที่ง่ายก็ยังไกลตัวเราพอมากการข้อสอบที่ใกล้ตัวเรายังยังมี ขณะข้อสอบกายตัวเรายังทำให้ใจเราปั่นปวนได้ต่อไปเวลาเจอข้อสอบของเราเองเจอเวลาที่ค่อนใกล้ตัวเราหรือตัวเราเองเป็นอะไรไปเราจะควบกลุ่มใจไม่ได้ก็จะทรมาร เป็นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งถ้าหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยทำยังไงถ้าเคยฝึกหัดคอยควบคุมใจก็เป็นก็เป็นเลยมันจะทำยังไงมันฝนจะตกไหมจะทำยังไงฝนตกไปห้ามมันได้เปล่าร่างกายมันจะเป็นมะเร็งไปห้ามมันได้เปล่า เป็นก็เป็นแต่เราห้ามใจเราได้นี่คือสิ่งที่เราทําได้แต่เราไม่ทํากันเกิดการหักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความอยากต่างๆปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสความอยากอย่ยอยากทําอะไรก็ทําอยากดูอะไรก็ดูอยากจะฟังอะไรก็ฟัง พอมันได้ทำตามความอยากมันก็รู้สึกดีใจสบายใจเดี๋ยวพอมันถึงเวลาที่มันอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะทุกข์อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้มันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเพราะร่างกายเรามันต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไป ทั้งร่างกายของคนอื่นด้วยทั้งของเราด้วยของคนอื่นนี่ไม่หนักเท่ากับของเราของเรานหนักกว่าหลายเท่าเพราะโดยมากเราต้องรักตัวเราเราต้องรักร่างกายของเรามากกว่าเรารั ก, กรักร่างกายของคนอื่นแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะรักร่างกายของคนอื่นมากกว่าร่างกายของตนเอง ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เวลาร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรกับจะทุกข์มากกว่าเวลาที่ร่างกายของตัวเองเป็นอะไรแต่คงจะมีน้อยมากสิ่งที่เรารักนี่มันมีลำดับสิ่งสิ่งที่เรารักมากแต่ยังยังน้อยกว่ายังมีสิ่งที่เรารักมากกว่า คือรักเงินทองเวลาสูญเสียเงินทองไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเสียจะรู้สึกเสียใจเช่นขโมยมาขึ้นบ้านขโมยขโมยรถยนต์ไปขโมยแก้วหวนเงินทองไปอันนี้คือทรัพย์สมบัติของที่เรารักมากกว่าทรัพย์สมบัติก็คืออวัยวะ ของร่างกายอันนี้เสียเงินทองก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับการเสียอาไว้ว่าเช่นต้องเสียไตยไปเสียอะไรไปเสียแขนเสียขาเสียตาไปแ ล, ล้วรุนแรงกว่า น, นั้นก็เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เรารักกันมากที่สุดก็คือชีวิตรองลงมา ก, ก็คือ ก็คืออวัยวะรองลงมาก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอ ง, งต่างๆแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องสละมันให้ได้ต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตถ้าเราต้องการความสงบถ้าต้องการใจที่สงบเย็นสบายมีความสุข ต้องการทำํำทำแทนที่เราจะเพึ่งเงินทองเพึ่งอวอัยวะพึ่งชีวิตให้มาพึ่งทำจะดีกว่าเพราะทำเป็นที่พึ่งที่แท้จริงธรรมก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วใจจะสงบใจจะนิ่งใจจะเย็นจะสบาย ใจจะตัดความอยากต่างๆได้เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรใจก็จะเฉยๆได้เกิดการสูญเสียเกิดการพลาดพลาดจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆไปใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจมีความสงบเป็นที่พึ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีกว่าความสงบทั้ง ออที่พึ่งทั้งปวงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่อยู่กับเราไปตลอดสูญทรัพย์ไปเราก็ยังมีความสงบอยู่สูญอวัยวะไปเราก็ยังมีความสงบอยู่สูญชีวิตไปเราก็ยังมีความสงบอยู่ความสงบนี้เป็นอมตะเป็นของไม่ตาย เป็นของที่เราสร้างขึ้นมาและรักษามันได้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่ส่งใช้ในการสร้างและรักษามันขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นคว้าพบธรรมที่จะทำให้ใจของเรานี่นิ่งสงบเย็นสบายไปตลอดก็คือศีลสมาธิปัญญานีแล้วทาน การทำบุญการทำทานเป็นการสละทรัพย์การารักษาศีลก็เป็นการสละอวัยวะตาหูไม่ใช้ตาหูจมูกเล่นกายไปในการหาความสุขต่างๆการภาวนาก็เป็นการหยุดใช้ชีวิตคือร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ เลิกใช้ร่างกายให้มาใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาแทนถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถนั่งสมาธิตามใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้แล้วเราก็จะได้ความสงบได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะทำให้เราสละความสุข ทางร่างกายไปได้หมดเมื่อก่อนอยากจะใช้ร่างกายดี๋ยวนี้พอมีความสงบทางใจแล้วก็สามารถตัดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้โดยตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่า การใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจะต้องเจอความทุกข์เข้าสักวันหนึ่งเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เวลาร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกเอ็นกายได้แต่ถ้ามีความสงบก็ไม่เดือดร้อน ไม่หาก็ไม่หาความสงบนี้ดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรถไม่ต้องใช้ตาหูจมูกเลื่นกายใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาแค่นี้ใจก็จะได้ความสงบแล้วแล้วได้แล้วก็ สามารถรักษามันได้ด้วยปัญญาเวลาที่จะไปหาความสุขทางร่างกายก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอันนี้เป็นการไปหาความทุกข์เป็นการทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิพอจากสมาธิมาใจยังมีความสงบอยู่แต่พอเริ่มมีความอยากปั๊บใจเริ่มกระเพื่อมแล้ว ใจเริ่มไม่นิ่งล่ะคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงละครคิดถึงอะไรต่างๆใจก็อยากได้แล้วพออยากใจก็กระเพื่อมหิวขึ้นมาแทนที่จะอิ่มกับหิวหิวเพราะความอยากไม่ใช่หิวเพราะว่ามันขาดอมันไม่ขาดอาหารอะไรร่างกายก็กินอาหารพอเพียงอยู่แล้วแต่หิวทางใจ หิวด้วยความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความหิวทางใจทําให้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วแต่ถ้ามีปัญญาก็มาสกัดมันได้บอกว่าการไปทําตามความอยากนี้ไม่ได้ดับความหิวของใจแต่เป็นการต่อความหิวต่อความอยากไปเรื่อยๆ วิธีที่จะดับความหิวดับความอยากก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากต้องเห็นโทษแนละ้วแล้วก็เลิกมันไม่ทำตามมันถ้าเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็หมดแรงหมดกำลังมันก็จะไม่มารบ ก, กวนเราอีกต่อไปมันคนที่เคยติดอะไรพอเลิกแล้วมันก็ไม่มารบ ก, กวนใจ ถ้าไม่เลอกมันก็จะมาคอยลบกวนใจอยู่เรื่อยๆเต็เดบุหรี่มันก็จะมาลบกวนใจเวลาบุหรี่หมดมเวลาอยากสูบไม่มีบุหรี่สูบ ก, ก็ต้องดิ่นไปหาเวลาอยากดื่มโซลาก็ต้องเดิมเวลาไม่มีโซดาเดิมก็ต้องดิน้นต้องไปหามาเดิมถ้าหาไม่ได้ก็ ก็ลงแดงเขาเรี้ก ล, ลงแดงทรมานแต่ถ้าไม่ทำตามมันยอมเวลามันทรมานเราก็ไปเข้าสมาธิแทนเวลาอยากจะเดิมเสวราแล้วมันอาการไม่ดีเราก็เข้าสมาธิพอ เ, เข้าสมาธิใจสงบอาการไม่ดีก็าหายไป ทุกครั้งที่อยากก็อยากไปทำตามความอยากแต่ต้องเข้าใจว่าทำไมไม่ทำตามความอยากต้องรู้ว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานใจไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ทรมานใจถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นโทษของความอยากเราก็อาจจะเลิกความอยากได้ชั่วคราวเช่นเวลาเราไปอยู่ที่ไหนไม่มีสุราดื่ม เราก็ไม่ได้เดื่มมันเพราะมไม่มีเดื่มมันก็อาจจะทรมานนิดหน่อยไม่นานก็หายไปแต่พอเราไปอยู่ที่ที่มีธุราเดื่มเดี๋ยวเห็นก็อยากขึ้นไาเก็กลับไปดื่มได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นโทษมีหรือไม่มีเราก็ไม่ควรจะไปดื่มเพราะว่ากินดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อย ไม่มีวันพอและเวลาไม่มีดื่มก็ท้อแลมานใจต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าการกระทํานำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสุขเราก็จะไม่กล้าทําเหมือนถ้าเรารู้ว่าสุลานี้เป็นยาพิษเราก็จะไม่กล้าดืม่มพอดื่มแล้วแทนที่จะเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาใครจะไปดื่มอีก แสดงว่ามันเป็นพิษที่ซ่อนอยู่มันพิษทางใจที่เรามองไม่นมันไม่ได้เป็นพิษทางร่างกายมันไม่ได้ทําให้ร่างกายตายไปทันทีทันใดแต่มันเป็นพิษทางใจทําให้ใจทรมานนี่คือการเรื่องการควบคุมใจของเราถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจเราจะนิ่ง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเห็นสุราก็จะเฉยเห็นบุรีก็จะเฉยเห็นข้าวของอะไรต่างๆก็จะเฉยเห็นกระเป๋าเห็นเสื้อผ้าเห็นรองเท้าเห็นเครื่องสำอางเห็นเครื่องสำอางเห็นน้ำหอมคนบางคนนี่เห็นของพวกนี้แล้วแหมใจสั่น ชอบใจเห็นเราอยากได้ใจสั่นขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีความสงบใจเราหิวหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเคยทำมาจนติดเป็นนิสัยอยากมาจนติดเป็นนิสัยของพวกนี้ไม่ต้องสอนพ่อแม่ไม่ต้องสอน ่าหนูหนูไปอยากกับรูปนไปอยากกับเสียงสินะจะได้มีความสุขมีแต่คอยห้ามหนูอย่าไปนะไปเรียนหนังสือดีกว่าอย่าไปเที่ยวตามศูนย์การค้าอย่าไปเที่ยวตามโรงภาพยนตร์ไปโรงเรียนไปหาความรู้ดีกว่าแต่เรื่องการอยากไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีใครสอนเพราะมันติดมาตั้งแต่ หนึกดำบังนะโรงนี้เป็นพวกโรคติดยาเสพติดกันวนะ่าติดรูปเสียงกลิ่นานานตะรูปเสียงกลิ่นนนตนี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดนะมันถึงกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนะกลับมาเกิดเพราะมันติดติดรูปเสียงกลิ่นนนต์กามว่าตันหาอยากในรูปเสียงกลิ่นนนตติดในรากยศสารเสริญสุขนะอยากจะมีแต่ลาบยศสารเสริญอยากจะมีแต่ความสุขนะ อยากไม่ให้ความสุขอยากไม่ให้ลาบยศเสรเสรเสื่อมไปอยากไม่ให้ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายความอยากเหล่านี้มันจึงสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นเวลาที่สิ่งเหล่านี้มันเสื่อมไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรมีเกิดแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดานั <c oughs> ่นเลยว่าอันนี้จังไม่เที่ยงแท้แน่นอน อนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไ่ได้ตลอดจะรักกันขนาดไหนพอร่างกายตายไปก็ก็ต้องไปคนละทางอยู่ด้วยกันไม่ได้นะรักกันขนาดไหนก็ต้องแยกกันอยู่ลนะที่เรา หวั่นไหวกันที่เราวุ่นวายกันก็เพราะเราไม่รู้จักควบคุมใจกันไม่รู้จักทำใจให้สงบกันบ่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความอยากเวลาใจอยากอะไรนี่ใจสั่นนี่วิธีแก้ใจสั่นก็คือทำตามความอยากอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาพอซื้อมาก็หายสัน่นดีใจเดียเด๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็สั่นขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวเห็นนนเห็นนี้ก็อยากได้ก็สั่นขึ้นมาโอกใจสั่นกัน น, นั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้ให้นั่งเฉยๆนั่งไม่ได้หดเก็บลองคา้านใจเพราะใจมันสั่นมันสั่นพราะมันหิวในรูปเสียงกลิ่นรสหิวกับสิ่งต่างๆหิวกับเรื่องราวต่างๆ อันนี้เห็นโทษตอนที่เวลามันสั่นแล้วเราหยุดเป็นไม่ได้นะเพราะบางของบางอย่างมันเอาคืนมาไม่ได้เสียไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้เสียในหลวงไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันก็มีแต่สั่นไปเรื่อยๆเศร้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงเดี๋ยวไม่กี่วันก็หมดแรงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปสั่นกันเรื่องใหม่ต่อ ไปสั่นกับคนใหม่เดี๋ยวไปรักคนใหม่แล้วเขาคนใหม่ไปก็เป็นเองมีโทษของการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา<ม>พอสิ่งต่างๆจากเราไปเราก็จะเสียใจทุกทรมานใจครูตาจา่าเองสอนว่าให้มา พึ่งของที่ไม่จากเราดีกว่าพึ่งความสงบอพึ่งทำที่จะทําให้ความสงบเกิดขึ้นอพึ่งทานให้ให้พึ่งศีล ส, สมาธิปัญญา เ, ออเงินทองอย่าไปพึ่งเงออินเก็บไว้ใช้เท่าที่จําเป็นออให้ร่างกายมันพึ่งเงินทองซื้ออาหารให้ร่างกายซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อ ที่อยู่อาศัยพอมีพอดีมีพอมีพอพออยู่ได้แล้วก็พอเอาเงินทองนี่เก็บไว้สำรองก็ได้เผื่อเวลาที่ไม่มีไรายได้ก็จะได้ใช้มันดูแลรักษาร่างกายไปแต่ไม่ให้เอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ไปซื้อกระเป๋าถ้าเรามีกระเป๋าพอแล้วไม่ให้ไปซื้อรองเท้าถ้าเรามีรองเท้าพอแล้วไม่ให้ไปใช้น้ํำหอมไม่ให้ไปใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆใช้ไปทําไมเสียเงินเสียทองแบะแปะเข้าไปที่หน้าเราเดี๋ยวก็ต้องไปล้างมันออกแบะมันอยู่ทุกวันว่านมันอยู่ทุกวันะ เ็นแล้วก็ต้องละตอนเย็นก็ต้องตอนก่อนนอนก็ไปล้างมันออกเอาความสวยงามทางใจดีกว่ะถ้าอยากจะสวยอยากจะให้คนนากจริงๆต้องใช้ศีลเป็นเครื่องเสริมความงามคนที่มีศีลนี่เป็นคนน่ารักไม่มีใครรังเกียจคนที่ไม่มีศีลนี่เป็นคนน่าเกลียดน่ากลัว อรู้ว่าเขาจะต้องมาป้นเรามาโกงเรามารักทรัพย์ของเรานี่เราอยากจะคบกับเขาไหมบางคนนี้มาในคราบสวยงามแต่งตัวแต่งหน้าทําอะไรสวยงามมาเพื่อมาจี้เรามาป้นเราด้วยให้เราตายใจพอเราเผลอก็ โงกงทรัพย์ของเราไปถ้าอยากจะสวยงามอยากให้มีคนรักเราอย่างจริงจริงก็มีศีลเอาศีลนี่แหละเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเเห็นพระอาหารหันต์กูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างหน้าตาท่านมีเครื่องสำอางที่ไหนเข่าผมท่านมีที่ไหนแต่ทำไมเรารักเราเคารพท่าน ก็เพราะท่านมีศีลท่านไม่โกหกหลอกลวงเราพูดตรงไปตรงมาไม่คิดอยากจะเอาเงินทองของเราแม้แต่บาทเดียวนอนอยู่ที่วัานี่นอนอย่างสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงกลัวอะไรคนที่มีศีลนี่ เป็นคนที่ไม่มีใครลังเกียจคนที่ไม่มีศีนี่ต่อให้เสริมความงามขนาดไหนก็ต่างเขาก็ลังเกียจดีๆอาจจะไม่รู้ใหม่ๆก็อาจจะหลงหลายขั้งใครแต่พอเห็นนิสัยโผลกมาลเห็นนิสัยโกหกโผล่มาเห็นนิสัยที่โกงโผล่มาเดี๋ยวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากจะคบคาสมาคมด้วย อันอย่าไปเสียเงินทองเสริมความงามเนละเอาเงินทองมาเสริมความงามด้วยการความเมตตาดีกว่าเอาเงินทองไปจากคนที่เขาเดือดร้อนทุกข์ยากลาบากช่วยเหลือคนที่ยากคนจนในในหลวงเราที่เรารักเคารพท่านก็พอท่านสงสารคนจนเห็นไหมออกไปดูทางโครงการพระราชดำริไปอยู่ต่างจังหวัดเนี แทนที่จะอยู่ในเมืองจัดปาร์ตี้หรือไปเที่ยวเมืองนอกไกลในหลวงไปเที่ยวเมืองนอกมัยมีแต่ไปนะู่นไปจังหวัดที่กันดารไปดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ไปจัดโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อประชาชนที่เราอยู่นี่ก็เป็นโครงการของในหลวงเนี่ยเขาเที่ยวนี่ก็เป็นโครงการของในหลวง ท่านเห็นสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาบำเพ็ญท่านก็เห็นว่าเป็นที่ดีที่สงบก็เลยจัดโครงการปกป้องรักษาพื้นที่นี้ให้พระภิกษุได้ขึ้นมาบำเพ็ญมีที่ภาวนามีที่สงบผลปลอยได้ก็คือญาติโยมที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติก็ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติมีที่ให้พักปฏิบัติได้ เป็นบ้านพักของป่าไม้อันนี้ก็เกิด่จากโครงการของในหลวงวัญยานี่เป็นโครงการของในหลวงทเดินทีวัญยานี้มีญาติโยมเข้าสร้างเข้าถวายที่ประมาณร้อยหกสิบไร่สามีภรรยาเป็นสามีเป็นแพทย์น่ชื่อไหนแพทย์กัจจานภรรยาชื่อนิธิวดีมีที่อยู่ร้อยหกสิบไร่ อยากจะสร้างวัดปฏิบัติอยากอยากอยากจะให้เป็นวัดปฏิบัติเหมือนวัดป่าของครูบาอาจารย์ทาภาคิสานก็เลยรู้สึกตอนต้นไปถวายให้กับพระที่อยู่จังหวัดจันทบุรีหรือท่านมีภารกิจอะไรของท่านท่านเลยแนะนำบอกให้ไปถวายสมเด็จเพราะสมเด็จสังฆราชสมเด็จสังฆราชที่วัดโบนี้ท่านชอบปฏิบัติ ก็เลยไปถวายท่านก็รับแล้วก็มาเริ่มทําปลูกต้นไม้ก่อนเพราะเมื่อก่อนเป็นที่โลภเป็นที่ชาวเป็นไล่มันสำปะหลังก็เลยมีโครงการปลูกต้นไม้กันปลูกกระตอบปลูกกุฏิพระไม่กี่หลังแล้วก็นิมนต์หลวงปู่เจี๋ยออมาอยู่เป็นหัวหน้าอยู่ช่วงนึน ต้องมีครูบาอาจารย์ทางสายกรรมฐานมาวางพื้นรากฐานไว้เพราะกรรมฐานกับพระป่ากับพระบ้านนี่มีธรรมเนียมไม่เหมือนกันการกินการอยู่นี่ไม่เหมือนกันพระบ้านเขาก็จะกินสองมื้อเขาก็บินทบาทบ้างไม่บินทบาทบ้างไม่เข้มงวดกดขั้นถ้ามีกิจนิมนต์ก็ไม่ไปบินทบาท ถ้ามีเกตถ้าไม่มีเกตก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วแต่อารมณ์เพะเดี๋ยวเพลนก็มีคนออกมาถวายมีคนมาวัดมาถวายสังฆทานออไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่สายวัดป่านี้ท่านถือทุดงค์วัดการบินตบาตเป็นวัดเพราะเห็นว่ามันเป็นวิธีที่จะตรวจความเพียง แก้ความเกียดค้ า, านหลวงตานั่นเคยพูดว่าถ้าปากขยันเท้ามันก็ต้องขยันด้วยอย่าขยันที่ปากขยันกินแต่ไม่ขยันหาขยันหาถ้าถ้าถ้าขีา้เกียจก็อย่า ก, กินที่ว่าป่าบ้านตาท่านอนุ ญ, ญาตไม่ให้เป็นทบายก็ต่องก็อดอาหาร ถ, ถ้าไม่อยากจะไปบินทบาลก็อทหารแล้วไปอ ย, อยู่ที่พักของตนบำเพ็ญเพียรส่วนหนึ่งที่พระอยู่ที่วัดปั้นตาท่านออาหารเพราะว่าถ้าออกมาบินธบาลมาฉันทิศาลามันก็เสียเวลาต้องมาเกี่ยวข้องกับคนต้องเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆก็ทำให้อารมณ์นี้มันวุ่นวาย ใจที่ยังไม่สงบนี้พอเห็นรูปเสียงกลินร้อนน่ใจมันจะกัะเพิ่มขึ้นง่ายแล้วทำทำมันสงบยากถ้าไม่ออกมาบินสบายไม่ต้องมาที่ศาลาไม่ต้องมาเจอใครก็อยู่ที่พักนั่งสมาธิเดินจองกรมไปคนอาหารไปปวดอาหารก็ทำให้หิวหิวมันก็ทำให้ไม่ง่วงมันก็ไม่ขี้เกียจแล้วมันก็บังคับให้ภาวนาเพราะว่า ถ้าไม่ภาวนามันจะหิวทางใจด้วยความหิวทางกายนี่ไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวทางใจพอภาวนานั่งสมาธิใจสงบความหิวทางใจก็หายไปเหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่ไม่หนักหนาสาหาัสโดยทําให้อยู่กับความหิวทางทางร่างกายได้เป็นอุบายที่จะบังคับให้เราภาวนาให้เรานั่งสมาธิ เพื่ให้เราเจริสติควบคุมความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็สอนให้เราเจริญปัญญาพิจารณาอาหารเลยปฏิกูรสัญญาให้ดูเวลานึกถึงอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องเวลาที่ถ่ายออกมาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หิวเห็นอาหารแบบ น, นี้แล้วไม่หิวถ้าเป็นอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในร้าน น, นี่โหน้ําลายไหล นี่คือวิธีแก้กิเลสการอด อ, อาหารมันจะทําให้ตอบเวลาฉันอาหารไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีอะไรก็ฉันได้แล้วพระป่าก็ให้ฉันในบาตรด้วยให้อ า, อาหารที่จะเป็นรวมที่เข้าไปในท้องนี่เข้ามาใส่ในบาตรรวมกันในบาตรก่อนแล้ววิธีฉันในบาตรนี้ท่านก็มีฉันอยู่3วิธีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกิเลส ถ้ากิเลสไม่ไม่ไม่หนักไม่หนักไม่ไม่หนักบ้างหนกก็เอาใส่เข้าไปแบบไม่แยกไว้ข้าว ไ, าไาวไ้ข้างนึ่งกับไว้ข้างหนึ่งขนมไว้มุมหนึง่งอันนี้เรียกว่ากินแบบกิเลสไม่ค่อยดุเดือถ้ากิเลสที่มันจุ้จี้จุกจิกหน่อยก็ใส่เข้าไปไม่ต้องแยกไม่ต้องเลือก <Julius S 1> ที่ใส่วางก็ตักเข้าไปข้าวใสเ่เข้ า, า, ขาไปขนมใส่เข้ า, า, ขาไปกลับใส่เข้ า, า, ขาไป มันจะอยู่ตรงนี้เป็นข่างหัวมันอันนี้ก็ระดับที่สองใส่เข้าไปโดยที่ไม่แยกไม่แยกโซนกันเขาจะระดับที่สามก็เอามาคุกเลยเอาเป็นข้าวหมาเลยอยากกินอะไรทาลายมันให้หมดอยากกินอะไรผสมกับเอาของหวานผสมกับแกง เผ็แกงจืดผสมกับข้าวอกาแฟเทใส่เข้าไปขนมของหวานขนมปองขนมปั ง, ปงอะไรใส่เข้าไปอเดี๋ยวมันก็เข้าไปในท้องมันก็ไปรวมไปอยูนันเหมือนกัน่ะมันต่างกันตรงไหนถ้าเรากินเพื่อร่างกายเราไม่ได้กินเพื่อกิเลสถ้ากินเพื่อกิเลสก็ต้องกินแบบฝรั่งใชนะ่ไหมก็มีอาหารชุดแรก ชุดที่สองก่อนชุดที่สามก่อนสี่ห้าชุดนึ่ะแล้วจานก็ต้องเป็นแต่ละชุดช้อนก็ต้องแต่ละชุดซอมก็ต้องแต่ละชุดโอ้ยก่อนจะกินเสร็จนี่เวลาต้องไปล้างชามหน่อยหายหิวหายมาหิวเก่าขึ้นมใหม่อนั่นแหละเขาเลยกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อเอยู่เขาเรีอยู่เพื่อกินะ เพื่อกินก็ต้องกินแบบพิสดารกินให้มันอริดอร่อยกินให้มันสนุกสนานเฮฮากันทางพระเหล่านี้ท่านสอนให้กินเพื่ออยู่กินเพื่อดับความหิวกินแบบกินยามีอะไรก็คุกมันเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ไม่ลำบากไม่วุ่นวายมีอะไรก็กินได้หมดแล้วยิ่งถ้ากินมื้อเดียวยิ่ง ง่ายใหญ่เพราะมันยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะได้กินะกินวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกกี่ยี่สิสี่ชั่วโมงถึงจะได้กินพอถึงเวลานั้นอะไรก็อร่อยไปหมดเพราะมันหิวไอพวกเรานี่กินแล้วกินกินสามือ้อกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงอา้ากินอีกแล้ว <c oughs> มันบางทีเรากินไม่ลงมันก็เลยเบื่ออาหารกัน <c oughs> <c oughs> จู้จี้จุกจิกกันวุ่นวายกับเรื่องหาอาหารกินกัน เาไม่เชื่อลองกินเมื่อเดียวเล ย, เยกินเมื่อเดียวนี่ต่อไปมีอะไรก็กินได้หมดปูนสเปสะปะไมารู้เริ่มต้นที่ตรงไหนมาเจามาเจอที่ตรงนี้<ม>ก็เรื่องอโครงการพระรามลิขเนี่ยที่ในหลวงท่านสร้างความสวยงามสร้างความน่ารักในตัวท่านเนี่ย ก็ดูทําไมคนอื่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทําไมไม่มีคนเขารักเหมือนเขารักในหลวงกันว่ามันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าเป็นเจ้าแผ่นดินหรือเป็นอะไรมันอยู่ที่ผลงานอย่างที่มีคําพูดเลยผลงานคนคนเราอยู่ที่ผลงานเนี่ยคนเราเราวัดกันที่ผลงานอยู่ที่การกระทําก็คืออยู่ที่กรรมกรรมแปลว่าการกระทํา พระพุทธเจ้าที่เรารากเราเคารพก็ผลงานของพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระสาวกคูบาจารย์ทั้งหลายก็เราลักเคารพท่านเพราะผลงานของท่านเนื้อหนวของท่านก็เนี่ยอยู่แบบอยู่แบบคนธรรมดาอยู่เห็นไหมที่ทำงานงท่านไม่ไม่มีเฟลเนเจอร์นะท่านจะนั่งทํางานกับพื้นท่งงานกับพื้นถ้าไม่ทําแบบคน เศรษฐีต่างๆทำกันเศรษฐีเขาเขามีมีการบันเทิงมีการทำอะไรต่างๆท่านไม่ค่อยบันเทิงกับใครท่งงานเนี่ยที่วัดยาเ น, นี่ยก็ได้ได้ในหลวงมาพอสมเด็จพระสังฆราชรับมาสร้างในหลวงทราบข่าวก็เลยมา มาดูแล้วก็เลยมามาร่วมทรงให้ซื้อที่เพิ่มสองพันไร่ที่ข้างล่างเดิมที่มีร้อยหกสิบไร่แล้วก็มีญาติพี่น้องซื้อเพิ่มถวายให้กับสมเด็จสังกลาีก้อยกว่าไร่เป็นสามร้อยกว่าไร่อันนี้เป็นเหมือนวงเ ป, เป็นที่ที่ที่ของทางวัดโดยตรงแล้ว ในหลวงท่านบอกให้มาซื้อที่ครอบไว้อีกสองพันไร่ข้างล่างนี้ก็เป็นเหมือนกับไข่ดาวที่สามร้อไร่ที่เป็นของวัดเป็นไข่แดงแล้วไอไข่ขาวนี่ก็เป็นที่ในหลวงให้ซื้อซื้อเพิ่มขึ้นมาเพื่อทาโครงการพระราําำริให้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าทำจนรประทานทำอ่างเก็บน้ำแล้วก็ ทำโครงการต่างๆมีให้กระทรวงกรเกษตรมาวิจัยศึกษาว่าควรจะปลูกเพราะพืชชนิดไหนเพราะที่นี่ชาวบ้านก็รู้แต่ปลูกมันสัมปังหลาัายได้ก็ไม่ดีก็เลยให้มาคนหนดูว่าดินที่นี่ปลูกอะไรได้ก็มีมีการทดลองปลู ก, ลกพืชเศรษฐกิจกันต่างๆแล้วก็มา ปูกสารพืชปลอดสารพิษต่างๆแล้วก็เราก็ให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรงพยาบาลคนยากคนจนในบริเวณวัดนี้พระจะได้อาศัยใช้ได้ด้วยวต่อมาก็สร้างศูนย์ผู้สูงอายุสำหรับบริการคนชราไปย ตุ้งเจาะจงอยู่ที่การรักษาดูแลรักษาคนคนชราคนสูงอายุแล้วก็มีโครงการอย่างอื่นชนละประทานทำน้ำทำอ่างเก็บน้ำทำเทียดทำรองน้ำส่งไปตามนาตามบ้านของชาวบ้านให้ก็มีน้ำใช้กันมีน้ำเพาะปลูกกัน ทางวัดก็ให้ทำปรปาป่าทำป่ปาทาอ่งางเก็บน้ำก็เลยเป็นโครงการขึ้นมาแล้วพอดีบนเขานี้ก็เป็นเขาเป็นของหลวงอยู่แล้วแต่ไม่มีใครดูแลประจำก็เลยให้ป่าไม้มาดูแลโดยให้ประกาศเป็นเขตท่ามล่าสัตว์ป่า แต่อนุญาตให้พระภิกษขุขึ้นมาบำเพ็ญขึ้นมาปฏิบัติทำได้ตามปกติถ้าเป็นเขต อ, อุทยานนี่เขาไม่ให้ใครเข้ามาอยู่เลยแต่ถ้าเั็นเขตห้ามล่านี่เขามี ม, มีข้อยกเว้นได้วันนี้ก็อีกสองพันไร่รวมโครงการทั้งหมดก็สี่พันกวไรสี่พันกวไร่ 4, อันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งในหลายพันโครงการของในหลวงนะอนไปที่ไหนอันก็จะเน้นไปทางด้านทางเกษตรกรรมเพราะคนจนส่วนใหญ่ชาวชนนบทส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมกันเกษกรรมเกษเกษตรกรรมกันทำนาทำไรส่วนใหญ่ก็ขาดแล่งน้ำตรง ตรงสร้างแหล่งน้ำต่างๆขึ้นมาอ่างเก็บน้ำทำฟ้าทําอะไรนี่แหละคือผลงานที่ทําไมเขาถึงถามว่าคนถึงรักในหลวงกันเพราะท่านไม่ได้เป็นเพลย์บอยแต่เป็นเวิร์กบอย ท่านมีแต่เอางานทำแต่งานอันนี้คือพูดถึงเรื่องของความสวยงามว่าเราอย่าไปเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าซื้อของอะไรฟุ่มเฟือยมาเสริมความงานให้กับเราเลยมันไม่เลยเป็นที่ประทับใจของคนหรอก ต่อให้สวยใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนแต่ว่าจะอยาบคายว่าจะดูถูกดูเหมื่นดูแคลนคนอื่นนี่ใครก็เห็นใครก็ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ถ้าว่าจะสุภาพเรียบร้อยพูดด้วยความเมตตาใครก็อยากจะฟั ง, ฟ, ง, งมมฟังเสียงของความเมตตานี่มันสบายใจฟังเสียงของความ ของความถือนื้อถือตัวฉันเป็นใหญ่ฉันเป็นโตเธอมันไล่ค่าไล่สภาพนี่ใครได้ยินได้ฟังก็ไม่อยากจะเข้าใกล้อันนี้คือเรื่องของศีลด้อยากจะสวยงามมาสวยงามด้วยการรักษาศีลสวยงามด้วยการมีความเมตตาสวยงามด้วยการให้ให้ทาน ช่วยเหลือผูอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีอะไรพอจะแบ่งกันได้ช่วยกันได้มันจะทำให้เรามีความสุขและคนที่เขาที่เราได้ช่วยเหลือเขาก็จะมีความสุขลองไปอุปธรรมเด็กกาพร้าละคนดูเลยไม่มีลูกก็อยากจะก็ใบอุปธรรมส่งเสียให้เขาได้เรียนหนังสือได้อะไรไป ไหนก็เป็นลูกอย่างโรงเรียนผู้รู้นี้ก็เป็นโรงเรียนส่งเสริมเด็กแจ้งจนให้มาเรียนฟรีอยู่สามปีอันนี้ก็โครงการของสมเด็จพระสังฆราชมหนึ่งถึงมสามอันนี้เด็กชั้นนึงก็สี่สิบห้าคนนะก็มาเรียนฟรีสามปีฟรีทุกอย่างที่พัก อาหารเสื้อผ้าชุดนักเรียนหนังสือค่าเล่าเรียนอะไรทุกอย่างฟรีหมดเรียนสามปีเป็นช่วงที่เห็นว่าเด็กที่กำลังจะโตได้มาเรียนรู้ทั้งทา ง, ง, งโลกและทางธรรมด้วยเพราะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนทางโลกโรงเรียนส่วนใหญ่จะสอนแต่ทางโลกจะไม่สอนเนื่อง ทางจริยธรรมกันก็เลยเน้นโรงเรียนนี้จะสอนเน้นแนวพุทธให้รู้จักศึกษารู้จักพระพุทธศาสนารู้จักความเมตตารู้จักความสัมมาคาระวะรู้จักความกตัญญูกะตะเวทีรู้จักการช่วยเหลือตนเองพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาเทที่โรงเรียนเขาก็มีแปลงปลูกผักนะให้เด็ก ช่วยกันปลูกผักแล้วก็เอาผักนี้มาทำอาหารกินกันช่วยกันปลูกช่วยกันนดน้ำช่วยกันดูแลมีพระไปสอนธรรมะสอนไหวพระสวดมนต์สอนนั่งสมาธิเขอยากจะส่งให้ขึ้นมาฟังธรรมวันนี้บอกว่าอันนี้ก้างวันนี้อยากขึ้นมาเลยเพราะกลงวันนี้ต้องการความสงบมากันเยอะๆ เ, อเดี๋ยวมันไม่สงบ ยังไม่จำเป็นต้องมาถึงคันนี้ขั้นนี้สำหรับพวกที่โตแล้วพวกที่เบื่อโลกแล้วพวกเด็กๆก็ยังต้องไปไปสู้ก่าทางโลกต่อไปก่อนก็ให้มีเครื่องมืออยู่ในทางโลกอย่างปลอดภัยไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปติดเกมไม่ไปติดคนไม่ดีไป อยู่โรงเรียนกินนอนสามปีก็อยู่กับคบกับเพื่อนที่ดีไม่เที่ยวแต่ไม่ทะเลาะวิวาดกันโรงเรียนกินนอนนี่มันก็ดีอย่างนะมันฝึกนิสัยคนสอนให้คนมีวินัยอยู่กับพ่อแม่กับพ่อแม่ก็รั ก, ล, กลูกจะทำอะไรก็ทำ อยากจะดูทีวีก็ดูอยากจะเล่นเกมก็เล่นอยากจะกินเวลาไหนก็กินรักลูกนะแต่รักแบบให้มันเสียเลี้ยงแบบให้มันเสียเลียงแล้วมันไม่มีวินัยไม่มีระเบียบไม่รู้จาักการหาข้ามจิตใจนึกอยากจะได้อะไรพ่อแม่ก็รีบประเคนมาให้เลยพอร้องหน่อยปั๊บพอตซื้อมาให้นะ แต่ไปอยู่โรงเรียนกินนอนนี่อยากจะได้อะไรมันไม่มีหรอกอยากจะกินอะไรก็ต้องถึงเวลาถึงจะได้กินกินก็ต้องกินพร้อมๆกันนอนก็นอนพร้อมๆกันทาอะไรก็ทำพร้อมๆกันหมดมันก็เลยทำให้รู้จักอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยไม่ไปไม่ไปแหกกฎแหกระเบียบของสังคมนี่แหละการเลี้ยงลูกที่เลี้ยง เลี้ยงผิดแล้วจะมาเสียใจทีหลังเลี้ยงแบบไม่มีวินัยเอาใจลูกพอลูกโตขึ้นก็จะทำอะไรตามใจตัวเองไม่เคารพกฎหมายอาศัยว่าพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่มีเงินเดี๋ยวอะไรผิดเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไปถ่ายออกมา <c oughs> ก็เลยไม่มีความเคารพกฎหมาย ถเดี๋ยไไปเจอคดีหนักๆพ่อแม่ช่วยไม่ได้ก็สวย <c oughs> นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เราจำเป็นที่จะต้องมาควบคุมบังคั้อมันนะให้อยู่ให้สงบให้ได้เพราะใจที่สงบแล้วจะไม่เป็นปัญหากับใครไม่เป็นปัญหากับตนเองจะให้แต่ความสุขกับตนเองและกับผู้อื่นดูใจของพระเจ้าเป็นตัวอย่าง ใจของพระอาหารหันตสาวกใจของท่านสงบความสงบท่านได้ความสุขจากความสงบของท่านและการกระทาของท่านก็ทำอย่างสงบทำอย่างไม่มีโทษกับใครมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เห็นเราต้องให้เห็นความสำคัญต่อการมาควบคุมใจของเราให้สงบให้ได้ แลวสิ่งที่จะทำให้ใจเราสงบได้ก็คือสติสมาธิปัญญาโดยการสนับสนุนของศีลศีลห้าศีล8ปดศีลสองรอยี่สบเจส่วนเงินทองก็เก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นหรือเอาไปทำบุญถ้ามีมากเกินไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำไม่ต้องไปดิ้นหาเงินมาทำบุญอันนี้ไม่ได้เป็น เป็นการทำบุญที่ถูกการทำบุญให้เราทำจากทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แล้วที่มันมากเกินกว่าที่เราจะเอาไปใช้ทาประโยชน์ให้กับเราได้ก็เอาไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้ประโยชน์หลายทางจะมีมีทรพฟฟัพย์ภายในติดตัวไปไปก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไม่ต้องมาขอส่วนบุญส่วนอะไรของคนที่ที่ ยังไม่ตายตายไปไปเป็นเทวดากลับมาก็มีเงินที่เราทำนี้รอเราอยู่เวลามีชีวิตอยู่เวลาทำบุญก็มีความอิ่มใจสุขใจสุขมากกว่าการเองเงินไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาก็หมดละแต่ไปทำบุญกลับมายังอิ่มใจยังสุขใจอยู่เราคิดถึงการทำบุญก็ยังอิ่มอยู่ แต่ถ้าไปเที่ยวกลับมาพอคิดอยากคิดไปเที่ยวอีกก็อยากไปเที่ยวหิวขึ้นหน่อยการใช้เงินให้ถูกต้องใช้ด้วยการเราไปทําบุญใช้ด้วยการเอาไปเลี้ยงดูร่างกายอย่ า, อาไปใช้เลี้ยงดูกิเลสตัณหาไอ้ตัวนี้อย่าไปเลี้ยงมันมันมันดุร้ายยิ่งกว่างูพิษอีกงูพิษนี่มันยังไม่ดุร้ายเหมือนกับกิเลสตัณหานะครับ กิเลสตัณหานี่เวลามันกัดเราเนี่ยโอ้โหทรมานไหยทรมานใจไหยเวลาเศร้าโศกเสียใจนี่เรื่องของกิเลสตัณหาครับเวลาสูญเสียแฟนไปเนี่ยสูญเสียคนรักไปเนี่ยโอ้ใจมันทรมานทรมานเพราะความอยากอยากให้เขากลับมาอยากไม่ให้เขาจากเราไปอ่านะ การที่เรามาปฏิบัติกเพื่อมากําจัดไอ้ตัวนี้แหละตัวตันหาความอยากตัวกิเลสความโลภโกรธหลงเนะี่ยที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราเราทําลายด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอเรามีธรรมเหล่านี้แล้วกิเลสตายหมดตันหาความอยากตายหมด เหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังบารมมสุขพอเรามีบารมมสุขเราก็แบ่งความสุขนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไม่รู้สึกเหนื่อยยากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสรู้แล้วก็บาเพ็นพุทธกิจอยู่ห้าข้อนำความสุขมาให้แก่ผู้อื่น5ครั้งต่อวัน ตอนบ่ายก็สอนธรรมะให้กับญาติโยมตอนค่าก็สอนธรรมะให้กับภิกษุสามเณรภิกษุณีตอนดึกก็สอนธรรมะให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกไปโปรดสัตว์บินถ้าบาดก็เล็งดูว่าเล็งยารือว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษเนี่ ย, ยก็ไปสอนไปให้ความสุขให้ธรรมะกับเขา เวลาบินธบาตก็ให้ความสุขกับคนที่ได้สายบาตรได้ทำบุญคนได้สายบาตรได้ทาบุญเขาก็มีความสุขใจทำไมเขาไม่ทำบุญกับคนอื่นเพราะทำบุญกับคนอื่นมันไม่สุขใจเหมือนทาบุญกับคนที่มีศีลมีธรรมนี่เป็นประโยชน์เป็นความสุขที่พระเจ้าแบ่งให้กับสัตว์โลกหลังจากที่พระองค์ได้พบปรมังสุขทั้ง ได้พบอารมณา์สุขแล้วพเพราะองคไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขเหมือนที่พวกเราหากันพวกเราต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรดกันต้องไปช้อปปิ้งกันต้องไปดูหนังกันต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันเวลาที่จะมาแบ่งความสุขแบบพระเจ้าเลยไม่มีเพราะไม่มีความสุขแบบนั้นให้กับใครพวกเรามีแต่ความหิวไหนๆก็หิว อยากได้นูน่นอยากได้นี่กันเพราะมันไม่มีความสุขมันมีกิเลสเลยกิเลสตัวหิวเลยไปไหนมันก็แพรมันก็เอากิเลสไปเผยแผ่มันไม่ไดเอามาลมมาสุขไปเผยแผ่ไปไหนก็อยากจะได้นู่นได้นี่แล้วก็แย่งกันตีกันฆ่ากันขึ้นลงขึ้นศาลกัน นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีกิเลสกับผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วผู้ที่ไม่มีกิเลสนี่ท่านเขาไม่มีวันทะเลาะกันพระอาหารหันต์อยู่ด้วยกันกี่รูปไม่มีวันทะเลาะกันไม่มีวันแก่งแย่งชิงดบีกันเพราะไม่มีอะไรที่จะดีกว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ในใจแล้วคือบรมสุขเนี่ยคายมีบรมสุขแล้วต่อให้มาตั้งเป็นนายกก็ไม่เอาอ ให้มาตั้งเป็นในหลวงเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เอาให้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านก็เอาแต่ไม่เอาเก็บไว้เอาไปทำบุญนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรามาควบคุมควบคุมบังคับใจของเราให้สงบถ้าเรามาปฏิบัติทำกันลองมาหัดดู เป็นช่วงๆกันก็ได้มาถือศีล้ปครั้งละ3มวัน7วันแล้วก็มาหยุดความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทิหายนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่เปโลมลมาสุข นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรมีญาติโยมใครอยากจะถามอะไรั้ไมไม่มีอ ย, อยู่ที่อยู่ที่เน้นมาติดตามได้ัหมได้ค่ะติดตามได้นะสะดวก ปกติลูกจะทำซีดีรุ่นเก่าๆที่ท่านอาจารย์เทศแรกๆอยค่ะได้นน้ำได้เนื้อเยอะก็ดูทางอิ น, นเทอร์เน็ตก็บางครั้งก็ดูบางครั้งก็ไม่ได้คำถามส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกเริ่มต้นยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นที่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องสติ เนส่วนใหญ่ส่วใหญ่มากจะคิดว่าจะนั่งสมาธิก็นั่งเลยไม่ต้องมีสติสเต้นั่งแล้วก็ไม่เคยสงบเพราะสติไม่มีกําลังพอถ้าจะนั่งให้สงบนี้มันต้องควบคุมใจตลอดเวลามีสติตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลยเดิมขึ้นตาขึ้นมาก็ต้องคุมใจแล้วไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธไปไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอเอ า, เอาทางบ้านมันก็ได้นะมีสองคำถามย่อจากคุณสมหมายนะครับข้อหนึ่งเกิดนิมิตบ่อยมากค่ะการบริกา ร, รจะช่วยให้นิมิตหายไปได้หรือไม่และควรจะปฏิบัติอย่างไรคะได้ถ้าเรามีบริกรรมนิมิตก็จะไม่โผ่ ที่มันโผเพราะเราไม่มีอะไรคอยควบคุมใจใจมันก็เลยผลิตนิมิตต่างๆขึ้นมาเองเวลานั่งสมาธินี้จำเป็นจะต้องมีอะไรกํากับใจไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้มันใช้หนังไปให้เราดูถ้าเรานั่งเฉยๆนี่มันก็ปล่อยให้มันใช้หนังให้เราดูเดี๋ยวมันก็มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราต้องมีอะไรควบคุมกากับใจเรียกว่าสติ ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานควบคุมใจเช่นบริกรรมพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปถ้ามีอย่างนี้แล้วจะไม่มีเกิดถ้าจะเกิดก็เกิดหลังจากที่มันสับใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วแล้วมันถอนออกไปรับรู้เรื่องต่างๆอันนี้จะเป็นนิมิตที่ไม่ได้เป็นของใจแนละ้วเป็นนิมิตที่เกิดจากของภายนอกเข้ามาแนละ้วของจริง ไปเห็นเทวดาไปพบเทวดาไปพบกายทิพย์ต่างๆนี้ต้องเป็นใจที่สงบรวมรวมเข้าสู่สมาธิก่อนแล้วถอยออกมาออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิใจต้องเดิงเข้าไปรวมก่อนตกรลุมตกบอ่อวู้บเข้าไปก่อนแล้วแทนที่จะนิ่งเฉยๆมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้ อันนี้เป็นของจริงแต่ถ้าเราเริ่มนั่งหลับตาปั๊บเดียวน่นก็โโพอขึ้นมานี่โผล่ขึ้นม า, นนมาก็เป็นเรื่องของใจเราผลิตขึ้นมาใจมันไม่สงบมันก็ผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาดังนเวลานั่งเราต้องไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ใจผลิตอะไรอย่าปล่อยให้ใจมันฉายหนังให้เราดูเราต้องใช้หนังของเราเองเราต้องใช้ด้วยพุโทโธใช้ด้วยลมหายใจเข้าออกแล้วใจมันก็จะรวมเข้าสู่ สมาธิได้ถ้านี้ถ้ารวมลงแล่วนิ่งอยูเ่เฉยเไม่ไปไม่ไปรับรู้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าอยู่ได้นานก็อัปปนาสมาธิถ้ารวมแล้วถอยถอนออกถอนกลับขึ้นมาก็คณิกะสมาธิถ้ารวมแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าอุ ป, ปจารสมาธิสมาธิมีสามลักษณะด้วยกันก็สนะครับพลังจิต สามารถดึงดูดกันได้หรือไม่ครับดึงดูดอะไรนะยดึงดูดจิตนะครับน่าจะเป็นอย่นี้ครับจิตสามารถดึงดูดกันได้หรือไม่คะ่ะจิตของใครของมันไปดูดจิตของคนอื่นมาเข้าหาเราไม่ได้เหมืนกัระดับที่กับจิตเดียวกันเจอกันได้ไหมครับอ๋อก็เนี่ยถ้าจะเจอกับจิตที่จิตอื่นก็ต้อง ก็ต้องมีอุปจารสมาธิคนที่มีอุปจารสมาธินี้สามารถดูจิตของคนอื่นได้จิต ค, คนอื่นกําลังคิดอะไรอยู่นี่ก็รู้ได้หรือมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆก็เกิดจากจิตที่มีอุปจารสมาธินี้ดุกคําถามจากคุณศรีนี พระอาจารย์เคยเทศว่าความอยากที่ดีคือความอยากทำทานอยากรักษาศีลอยากภาวนาแต่ถ้าความอยากที่จะให้ครูบาอาจารย์อยู่สั่งสอนไปนานๆเป็นความอยากที่ดีไหมคะโดยสิทธิ์ก็ทำตัวเป็นลิ้นกับแกงโดยการปฏิบัติบูบชาและเห็นผลตามที่ท่านบอกตามลำดับอย่างนี้จะช่วยให้ครูบาอาจารย์มีกําลังใจอยู่เทศสั่งสอนไปเรื่อยๆบ้างไหมคะ คือความอยากมันต้องเป็นความอยากที่ทำได้ญญเกิดขึ้นมาได้เช่นอยากทาบุญนี้ทำได้ตลอดเวลาอยากรักษาศีลืออยากภาวนาอยากให้ครูบาอาจารย์อยู่ก็มันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ท่านจะไปเราจะห้ามท่านได้อย่างไรเฉนั้นมันก็ต้องความอยากแบบนี้ก็ต้องมีขอบเขตก็อยากเท่าที่ท่านอยู่ถ้าท่านไปก็อย่าไปอยาก ท่านไปแล้วอยากก็จะเสียใจจะทุกข์ใจความอยากทําบุญก็เหมือนกันอยากจะทําบุญแต่ไม่มีเงินทําบุญก็เสียใจไนดะ้ก็ต้องมีขอบมีเหตุมีต้องอยากแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่อยากแบบอารมณ์อยากจะทําบุญให้นคนหน่งก็ทําบุญช่วนี้ก็ถิ่นอยากจะเป็นเจ้าภาพกว่าเขาแต่ไม่มีเงินไปเป็นเจ้าภาพก็ถิ่นก็วุ่นวายใจอย่างนี้ก็ผิดแล้วไม่มีทําก็ไม่ต้องทําทําเท่าที่เรามี อยากรักษาศีนก็เหมือนกันถ้าอยากจะรักษาศีนแปดแต่ตอนนี้รักษาไม่ได้แฟนไม่ยอมไม่รักษาอถ้าอยากจะรักษามันก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาได้อันนี้ก็ก็ผิดแล้วอยากแล้วต้องทำได้แล้วทำให้มันสงบทำให้ใจสงบแล้วมีความสุขถ้าอยากแล้วทำไม่ได้หรืออยากราทำให้ใจวุ่นวายก็ก็เป็นก็เป็นโทษขึ้นมาได้เหมือนกัน ฉันต้องดูผลด้วยดูว่าอยากแล้วทําให้ใจสงบหรือทําให้ใจทุกข์นะอยากแล้วทำให้ใจ ว, ใใจนะวใใจุ่นวายใจทุกข์ก็อย่าไปอยากมันอย่างรักษาศินแปดไม่ได้ก็รักษาสีนห้าไปก่อนอย่างเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวคนหนึ่งถือสีลแปดคนนึ่งซื้อสินห้าอย่ช่นเขาไปหาคนถือสินห้าดีกว่าถ้าอยู่กับสินแดไปก็แล้วกัน คำถามจากคุณสมพงศ์กรรมที่ประกอบ ด, ด้วยเจตนาเรียกว่าอะไรครับคือความตั้งใจเจตนาก็คือความตั้งใจเจาะจงว่าจะต้องทำจะฆ่าปลาตัวนี้ให้ได้จะได้กินเอามาทอดกินอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเจตนาฆ่าด้วยเจตนาแต่ถ้าเกิดไปเจอปลามันตายแล้วเราหยิบมาปิ้งมาย่างนี้ไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่ามันมากินมันแต่มันตายแล้วเราก็เลยเอามากินองี้ อย่างนี hmm. oh, ioè, no no ้ไม่มีเจตนาฆ่ามีเจตนากินไม่บาปแต่อย่าไปมีเจตนาฆ่าเขาแล้วกันเอ้าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสมมติไปรันอาหารแล้วเราไม่รู้ว่าเขาฆ่าปลาเป็นบาปไหมคะถ้าไม่รู้จริงๆก็ไม่บาปอะแต่ถ้ารู้จริงแต่ทำเป็นไม่รู้ก็บาปก็รู้อยู่นี่ว่าเขาต้องเอาปลาเป็นมาฆ่าเบางทีไม่รู้ เราไม่รู้ก็เล่าไปถ้าเราสั่งแล้วเราไม่ได้ไปชี้ตัวนั่นตัวนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในตู้ให้ให้เราเห็นนี่เอาตัวนี้นะอย่างเงี้ยเป็นแต่ใบดั้งแล้วก็ก็สั่งเขาว่าเอาปลาทอดมาให้ตัวนึงนี้ก็อย่งางร้านไปาอาหารเนี่ยเวลาเราสั่งปลาใช่ไหมครับเราไม่ได้ชี้ก็จริงแต่ว่าเขาไปเอาปลาเป็นมาทํอย่างเงครับถ้าเราไม่เห็นกับตาเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหม เราไม่รู้ข้าวปลาเป็นก็ปลาตายมามาทำแต่ถ้าเราอยากจะไม่ไม่ไม่อยากที่จะ อ, อมีส่วนด้วยเราไม่แน่ใจก็อย่าไปกินร้านนั้นก็แล้วกันไปกินร้านที่เราแน่ใจว่าเป็นร้านที่ขายแต่ของที่ตายแล้วเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเราถ้าเราสงสัยแล้วยังทำไปนี่ก็ถือว่าผิดเหมือนกัน งั้นถ้าสงสัยแล้วก็อย่าทําเพื่อความปลอดภัยเสงไม่แน่ใจว่าเขาเอาของตายแล้วของเป็นมาให้เรากินเนี่ยเราก็อย่าไปกินทั้งหมดเรื่องสั่งของสั่งผัดผักมากินก็นแล้วกันงั้นจะยุ่งยากเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ ย, ยกินเจแบบนี้ได้บุญอ่ากินเจแบบนี้ได้บุญตป็นพ่อเลี้ยงไม่อยากให้เขาฆ่าสัตว์ไง คำถามจากคุณธัญญาขอเรียนถามท่านว่าช่วงนี้ปัญหาลุมเล้ามากกำลังล้มละลายเพราะเซ็นจำนองบ้านที่ดินเพื่อญาติแล้วเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยพ่อป่วยมีคดีความกับอดีตนายจ้างตอนนี้รู้สึกเครียดหาทางออกไม่ได้เลยอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแต่ไม่พร้อมเรื่องเงินทำให้น้องและแม่ไม่เข้าใจกดเครืองว่าไม่รักพ่อจะต้องทาอย่างไรดีคะ ก็เราไม่ยอมรับความจริงไะน้มละลายกันมันน้มไปสิไปหาพ่อไม่ได้ก็ไม่ต้องไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเกิดจากความอยากของเราจะทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้มันก็วุ่นวายใจขึ้นมาก็ทำในสิ่งที่เราทำได้สิสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทาอะไรไม่มีเงินไปหาพ่อก็ไม่ต้องไปโทรไปหาก็ได้เขียนจดหมายไปก็ได้ ไม่ต้องเสียตังค์มากจนไม้ฉบับเท่าไหร่สองบาทเนี่ยสามบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์คนทุกคนก็โทรไปคุยกับพ่อก็ได้เราให้พ่อฟังว่าตอนนี้หนูยังไม่สะดวกที่จะมาแต่หนูคิดถึงพ่อทุกวันน ะ, ะแค่นี้พ่อก็ดีใจแล้วไม่ต้องไปเห็นหน้าเห็นตากหรอกพอไปเห็นถ้าไปเห็นหน้าเห็นตาแล้วไม่ได้คุยกันก็สู้คุยกันดีกว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหอ นั้นเราต้องรู้จักปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพความเป็นจริงของเราตอนนี้เราจะล้มละลายก็ให้มันล้มไปเรามาเกิด ม, มาเราก็ล้มละลายต we ั้งแต่ตอนที่เราเกิดแล้วไม่ใช่เหรอแล้าเราเกิดมาแล้วก็มาไม่มีอะไรติดตัวมาอยู่แล้วแล้เราจะเป็นเดือดร้อนทำไมเราต้องมองความจริงแลีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนปัญหาของพวกเราคือไม่ยอมมองความจริงกันไม่ยอมอยู่ความอยู่กับความจริงกัน ชอบหนีความจริงด้วยการไปทำตามความอยากกันก็เลยทุกข์กันความทุกข์เกิดจากความอยากของพวกเราเองเห็นไหมเราอยากจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆแม้กระทั่งการล้มละลายหรือการไปเป็นโรคมะเร็งหรือการจะตายนี่ถ้าไม่มีความอยากรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้ล้มละลาย ไม่มีความอยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความอยากให้ตายเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราจะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดฉั้นมามายอมรับความจริงกันดีกว่าแต่กิเลสไม่ยอมัสิปัญหาคือบางทีเราบอกเรายอมแต่กิเลสมันไม่ยอมอเราก็ต้องต้องต้องจับ ก, กิเลสมามัดไว้มันถึงจะยอมเอาพุโทโธพุโทโธมัดมันไว้ พอพุทธโทมัมันไว้มันก็อยากไม่ได้แล้วเอาปัญญามาสอนว่าเออความอยากเป็นทุกข์นะอย่าไปอยากอยู่กับความจริงไปมันก็จะหายทุกข์ก็พระพุทธเจ้ามีเงินทองนี่นะพระพุทธเจ้าก็ล้มละลายตลอดเวลาใช่หไหมแต่ท่านล้มละลายแบบมีความสุขเพราะท่านยินดีอยู่กับความล้มละลายใครจะล้มละลายเท่าพุทธเจ้าจาก พระเจ้าแผ่นดินมาเป็นขอทานนี่ไม่ล้มละลายแล้วใครจะเรียกว่าล้มละลายแต่ล้มละลายแบบยินดีไ ม, ไม่ทุกข์หรอกยินดีจะอยู่กับความไม่มีความความล้มละลายคาถามจากคุณวิรัตกรรมชั่วใดๆที่บิดามันดาทำไปแล้วสามารถเป็นกรรมพันส่งต่อให้ลูกๆได้ไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าพ่อแม่ทำกรรมไว้เยอะกรรม จึงตกมาถึงลูกไม่ได้หรอกกรรมของใครของมันใครทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาเราทำกับข้าวใส่บาต ท, ทุกเช้าคนในบ้านไม่ค่อยพอใจเขาจะบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปแต่ก็ไม่ได้บุญนะถ้าเขาร่วมอนุมโมทนาเขาก็ได้บุญที่เกิดจากการร่วมอนุมโมทนา แต่ก็ไม่ได้เกิดจากการทำกับข้าวของเราถ้าเขาอยากจะได้บุญแบบของเราลเขาต้องทำกับข้าททำของเขาเองแต่ถ้าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเงินของส่วนรวมเขาก็จะได้บุญด้วยเพราะเขาก็เป็นส่วนที่มีส่วนร่วมในการทำกับข้าวของเราคำถามจากคุณไก่เราจะสามารถทำบุญอย่างไร ที่จะอุทิศถวายในหลวงในพระบรมโกศได้คะก็เนี่ยทำบุญใส่บาทไปเอาเงินไปบริจาค ก, กับอะไรที่ไหนก็ได้ให้ใครไปก็ได้อันนี้บุญที่เกิดอย่างแน่นอนชัดๆทําปุ๊บได้ปั๊บเลยแต่จะเอาเงินเอาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่บางทีมันยังไม่เกิดนียศีลเรายังไม่บริสุทธิ์มันก็ยังไม่เกิด เรายังไม่รวมมันก็ยังไม่เกิดยันอย่าไปคิดว่าเรานั่งสมาธิครึ่งชงั่วโมงแล้วก็อุทิศนี้ไปให้กับคนนู้นคนนี้ได้บางทีมันนั่งด้วยความฟุง้งซ่านมันไม่ได้นั่งด้วยความสงบมันอยาอุทิศยังไงยังไอ้ที่แน่นอนก็คือทําบุญปั๊บเนี่ยมีความสุขใจอิ่มใจอ่ะตอนนี้บุญแท้แล้วเอาไปได้เลยยันเป็นธรรมเนียมของของคนส่วนใหญ่เวลาเขาทาบุญคั้เขา เ ข, เขาอุทิศบุญเขาอุทิศด้วยการทำบุญกันนะแต่สำหรับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ก็อุทิศได้ผู้ที่มีสมาธิจิตสงบก็อุทิศได้แต่ไม่รู้เขาได้รับหรือเปล่าะนะคนรับไม่รู้เขาจะชอบบุญแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาชอบบุญแบบขนมนมเนยคําถามจากคุณรัก หากเรารู้สึกไม่ดีกับการโพสโชว์เรื่องที่ยึดติดในกิเลสราบยศเปลือกของคนในกลุ่มรู้จักเราควรออกมาจากกลุ่มนั้นหรือไม่เพราะเห็นพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านจิตใจจะถือเป็นการหนีปัญหาหรือไม่คะมันหนีปัญหาตรงไห น, นเราเราวิ่งไปหามันเองถ้าเราไม่ไปเข้ากลุ่มมันก็ไม่มีปัญหาเราวิ่งเข้าไปหามันเอง คำว่าหนีปัญหาคือเราอยู่ตรงนี้ปัญหามันมาหาเราแล้วเราวิ่งหนีมันอย่างนี้ถึงเรียกว่าหนีปัญหาอันี้ปัญหามันอยู่โน่นเราไปวิ่งเข้าไปหามันเองม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ถอยออกมาสิเหมือนเราเดินเข้าไปในกองไฟเพอรู้ว่ามันร้อนแล้วก็ถอยออกมาสิไปอยู่ในกองไฟทำไมคาถามจากคุณหมูรู้สึกโกรธลูก อยากต่อว่าแต่คิดว่าไม่ควรทําพยายามไล่ความคิดแต่มันก็ผุดเราให้เห็นมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ผุดมันไม่ยอมเลิกทั้งที่เราพยายามเลิกทําไงดีคะก็ต้องพยายามฝืนไปเรื่อยๆพยายามฝึกสติให้มากขึ้นเวลาอยากอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าฝืนด้วยกําลังใจยอย่างเดียวมันไม่พอต้องใช้ใช้พุโทโธช่วย เวลามันไม่ยอมแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากทำํำพออยู่กับพุโทโธไปสักระยะเดียมันก็ลืมรืมแล้วความอยากทํามันก็หายไปคําถามจากคุณอนงคนะ์นัดในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องงานเราจะพิจารณาร่างกายจะได้สติมากไหม่เจ้าคะท่านพิจารณาได้ก็ดีก็จะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาท่านพิจารณา วาร่างกายของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันก็แต่ต้องคิดบ่อยๆคิดทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะได้ประโยชน์แต่ถ้าคิดปุ๊บเดียวแล้วก็หยุดคิดมันก็ได้นิดเดียวเหมือนกับนกกระจอกกินน้ำคำถามจากคุณบัวทิพย์เมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิแบบหายใจเข้าพุทโธหายใจออก หายใจเข้าพุทหายใจโทออกก็สงบบ้างไม่สงบบ้างพักหลังนี้เลยลองนึกพุทโทอย่างเดียวแต่ก็ชอบไปรู้ลมหายใจด้วยควรจะนึกพุทธโทแล้วไม่ต้องสนใจลมหายใจใช่ไหมคะเพราะกังวลที่ลมหายใจด้วยค่ะก็ดูลมหายใจอย่างเดียวแทนก็ได้ไม่ต้องพุทโทก็ได้แต่ถ้าพุทเข้าโทออกแล้วมันสงบก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่จิตแล้วแต่ความพอใจบางคนชอบกินสองอย่างปนกัน บางคนเอาอย่างเดียว อ, อย่างนี้พิซซ่าก็มีหลายรสถาดเดียวนี้ข้มีสองรสปนกันก็ได้บางคนชอบรสเดียวก็เอารสเดียว อ, อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันคำถามจากคุณสัารี ถ้าเรามีพ่อที่กล่าวว่าพระในทางไม่ดีซึ่งมันทำให้เราหนักใจไม่สบายใจกับคำพูดท่านผมอยู่กับท่านสองคนและเคยพูดว่าผมจะออกบวชนะครับแกบอกว่าแกจะอยู่อย่างไรคือทุกวันนี้ทุกอย่างในบ้านผมเป็นคนทําทุกอย่างจะมีอุบายอย่างไรขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับก็บอกพ่อใตฮอานโนนาทโถสิพ <laughs> <laughs> อยู่อ บ, บ่าง ถ้าเกิดผมตายไปแล้วพ่อจะทำยังไงใช่ไหมท่าถามจากคุณกันลักษณะจิตรวมเป็นอย่างไรครับเมื่อจิตรวมแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปอ๋อจิตรวมก็นิ่งสงบเบาสบายมีความสุขมากก็ไม่ต้องทำอะไรก็เสดความสุขนั่นไปจนกว่ามันจะถอนออกมา คำถามจากคุณแสงหลังใส่บาทพระท่านให้พรควรนั่งไหวหรือยืนไหว้เจ้าคะตามใจกได้ทั้งนั้นยืนก็ได้นั่งก <laughs> <laughs> ็ได้คำถามจากคุณทูทำบุญหนึ่งบาทโดยจิตปัสะจากกิเลศกับทำบุญหนึ่งล้านบาทโดยจิตที่มีแต่ความอยากให้ได้รับผลตอบแทนอันไหนได้บุญกุศลมากกว่ากันครับ ออทำร้านนึงมันได้บุญมากกว่ายอยู่แล้วกัรหนึ่งบาทนีแต่ว่ามันมันก็มีอาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เสียใจได้ทำแล้วไม่ได้ดังใจอยากถ้าทำด้วยกิเลสแต่ก็ยังได้บุญอยู่จากการที่เราสละเงินร้านนั่นไปเพราะบุญนี้มันเกิดจากการเสียสละเงินของเราไปพอเราเสียสละนี่เราก็ได้บุญแล้นโดยที่เรา จะอยากได้หรือไม่อยากได้ส่วนความอยากนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดความผิดหวังได้เช่นอยากให้เขาติดชื่อของเราอยู่ในกุฏิหรือในอะไรที่เราสร้างถวายแล้วเขาไม่ติดให้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเสียใจจะเสียความรู้สึกบ้างแต่บุญที่เราเกิดจากการสร้างกุฏินั้นเราก็ยังได้อยู่ <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้เต็ม แต่ได้ไ ด, ได้ได้ผลข้างเคียงมาก็คือได้กิเลสได้ความเสียใจมาได้ความผิดหวังมานถ้าไม่อยากจะผิดหวังก็อย่าประยากได้อะไรเป็นผลตอบแทนคท่านอาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยคะที่ท่านพอาจารย์พูดว่าต้องนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยทุกลมหายใจเข้าออกที่ลูกเข้าใจนี่หมายความว่าการที่เรานึกอยู่ตลอดเวลาหรือมีสติอยู่กับพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเราจะ ลบล้างความความคิดเห็นที่เราว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นเห็นเห็นโกงจักรเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห <he en S 1> ็นสิ่งนะที่ไม่เที่ยงอไม่ลืมไม่ให้ลื ม, ม, ใ, หลมให้คิดอยู่ตลอด เ, เวลาเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราเอาอันนั้นมาใช้ได้ใช่ไหมจ๊ะตาที่ที่จุดประสงค์ที่ที่ท่าน ก็เวลาเจ็บมันก็จะบอกว่ากูรู้ว่ามันต้องเจ็บอยู่แล้วกูไป ต, ตืน่นเต้นตกใจเลยเตรียมตัวรับมันอยู่แล้ว <bou ff ress> เวลาแก่ก็เตรียมตัวรับมันอยู่แล้ว <bou ff ress> เวลาตายก็เตรียมตัวรับมันอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้เราเสียหลักได้ที่เราเสียหลักเพราะเราลืมเราเผลอไปอยากให้อยู่ต่อไปมันก็เลยเสียหลักแล้วมันต้องคิดจนกระทั่งมันไม่ดืมมันไม่ดืมแล้วเราก็หยุดคิดได้ พอมันจะฝังอยู่ในใจตลอดเวลาพอโรคปั๊บพอโรคปั๊บมันก็โรคเป็นธรรมะเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่นี่คือจุดประสงค์จุดประสงค์เพื่อไม่ให้เราลืมไม่ให้เราหลงเพื่อเราจะได้ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมารย์ใจให้กับเราเข้าใจอ่าออไป คำถามจากคุณไกรลินตอนนั่งดูลมหายใจและเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่ติดกับน้ำลายที่รู้สึกว่าเต็มปากสลัดทิ้งไม่ได้มีอุบายอย่างไงครับก็อย่าไปสนใจให้เราภาวนาไปมันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลไปปล่อยมันไปไม่ต้องไปกังวลกับมันแล้วมันไม่ไหลหรอกมันเพียงแต่หลอกเราเราคิดไปเองเอย่างนั้นเราก็จะมัวแต่มาเกินน้ำลายอยู่เ่ยแทนที่จะนั่งภาวนามานั่งกินน้ำลาย ให้ดูลมไปหรือพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมั น, นเรื่องน้าลายมันก็จะลืมไปแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาคำถามจากคุณวรพัฒขณะที่จิตมีอารมณ์ปิติเราสามารถใช้อารมณ์นี้มาพิจารณาทำได้ไหมครับก็เวลาที่เรามีความสุขมันก็จะพิจารณาสิ่งที่เราไม่อยากจะพิจารณาได้เช่นความตาย อสุภะความไม่สวยงามต่างๆแต่ความจริงเวลามีปิติมันมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะบำเพ็ญพิจารณาหรอกเพราะมันมีปิติมันก็ติดปิติติดความสุขกนะันนั้นก็ไม่อยากจะไปทําอะไรต้องให้มันเป็นอุเบกขาเท่านั้นมันถึงจะมาพิจารณาได้จิตต้องเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงจะมาพิจารณาทางปัญญาได้ อยากจะถามอะไรไหมไม่ค่ะมาจากที่ไหนกันสัริยาเคยมาบ้าง่ะไม่เคยรับเคยมาครั้งแล้วก็ไม่เจอลิงแล้วก็เลยกลับไปหลายปีพอดีพี่พี่พี่แก้วที่กสุริยาครับอยู่ผมอยู่ตรงข้ามผมก็เดินไปถามเขาอยู่เลยขายอะไรเลยผมพาแขกเที่ยวครับับถแท็กจะถามเขาเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่องว่า พี่มาบ้างไหมจะบอกว่าถ้ามีเวลาเขามาได้นะพอะดีวันนีก็เลยมาเขาจะมาตัวพี่แก้วจะมาเสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยงานด้วยมาช่วยเขาดูแลพวกลำโพงเครื่องขยายเสียงครับแล้วเป็นไงมาแล้วดีไหมผิดหวังไหมดีค่ะดีมากเลยเจ้ะได้นังสือไปยัง เดใช้เพราะมัมีรูปอาจารย์เอาไปเสกก็ให้ไม่เลยห้องเ๋ยย้อาไปได้คือไม่ได้ขึ้นมาบ่อยใช่เอาไปเนี่ยให้ให้ทุกหนังสือทุกเล่มเนี่ยที่ได้ตั้งไว้นี่หยิบไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพียงแต่ขออย่างเดียวยาวไปแจกคนนั้นเองถ้าไปแจกบางคนมาขนไปแล้วมันมันมันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราเอาไปอ่าน เราเรามีหน้าตัวเรานี่ที่นี่มีหน้าที่แจกแต่ญาติโยมมีหน้าที่เอาไปอ่านกันไม่ต้องไปทำหน้าที่แจกหรอกมีข่าวใหม่้หอข่าวใาม่คาถามจากคุณน้ำฝนเมื่อหนูนั่งสมาธิแล้วเหมือนจิตมันมองเห็นแต่สิ่งไม่สวยงามเห็นศพบ้างเห็นเป็นคนบ้างค่อยๆกลายเป็นศพบ้าง บางครั้งเห็นกายหยาบอยู่ดีๆกลายเป็นศพเน่าเฟะอยู่ในโลกเห็นแบบนี้เราไม่กล้านั่งทําให้รู้สึกกลัวถ้ามันติดตาถ้าพูดในจินตนาการเหมือนผีมาหลอกบางทีนั่งสมาธิอยู่ดีๆข้าพเจ้าก็มองเห็นตัวเองนั่งสมาธิบ้างแหละเห็นกายสังขารตัวเองนั่งอยู่เห็นเทวดานางฟ้าแล้วจิตมันจะไปนั่งนั่งไปนั่งมารู้สึกว่าตัวเองจิตลอยเหมือนคนเ อ, อ๋อ ภาพในอดีตต่างๆนานาเข้ามาหลอกหลอนจนไม่อยากจะนั่งพอออกจากสมาธิมันไม่เห็นแค่สมาธิบางครั้งมองเห็นร่างกายตัวเองดําและสกปรกผมเเพ้วสะยังไงก็ยังไม่สะอาดรู้สึกสกปรกไปหมดขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ได้ค่ะก็อย่างที่บอกนั่งแบบไม่มีอะไรกํากับใจก็เป็นอย่างนี้นั่งไปแล้วก็ปล่อยให้ใจมันคิดอะไรไปต่างๆนานาผลึกอะไรต่างๆนานาขึ้นมา เวลานั่งต้องมีอะไรควบคุมใจมีพุโทโธพุธโทโธไปเรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็น้อยเกิดเราก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเดี๋ยวจิตเราสงบแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปคนส่วนใหญ่คิดว่านั่งสมาธิคือให้นั่งหลับตาแล้วก็ เมืนกัเปิดทีวีดูว่าอะไรจะโผล่ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่นั่งสมาธินั่งดูความความปรุงแต่งของจิตใช่ไหมอันนี้นั่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นบ้าได้ที่ก็นั่งแาเป็นบ้ากัพออย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแล้วก็หลงไปตามสิ่งที่เห็นรักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างทําให้กลายเป็นคนบ้าขึ้นมา เฉะนั้นถ้านั่งแบบไม่บ้าต้องนั่งแบบมีสติก็คือให้มีพุโทโธพุโทโธกำกับใจโดยมีลมหายใจกำกับใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถือว่าเป็นของปลอมของหลอกอย่าไปยุ่งกับมันเป็นมายาเป็นภาพลวงภาพหลอน ถอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาให้สงบเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาไม่ใช่นั่งแล้วให้เห็นหนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอาการต่างๆรักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างมันก็จะนําไปสู่ความเป็นบ้าได้ออกมาแล้วก็มีปัญหาปล่อยให้มันคิดต่อไปอีกลักษณะการอย่างอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ย เป็นเรื่องของจริตหรือเปล่าไม่จริตแต่ไม่มีสติมันไม่มีอะไรกํากับใจมันต้องมีพุโทโธมันต้องมีอะไรคอยกากับใจมันถึงจะไม่เป็นนั่งบบาให้มันผลิตอะไรก็ผลิตออกมาแล้วก็ไปดูไปหลงไปไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เห็นถ้าอยู่กับพุโทโธมัยก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรยะมาโผล่ขึ้นมาลรวก็พุโทโธพุโทโธขอเราไป ดูลมของเราไปเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปความสนใจเรานี่ยไปทําให้มันผลิตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆดอกเราอยู่เรื่อยๆในเวลานั่งสมาธิที่บอกให้มีสติมีอะไรกํากับใจอย่าไปนั่งเฉยๆอย่าไปนั่งหลับตาแล้ว เ, เห็นอะไรก็ว่าเป็นู่นไปนี่ไปใหญ่เลยดีไม่ดีก็บรรลุ ถ, ถึงขั้นนู่นขั้นนี้แล้ว ถามจากคุณโสภาผมมีความตั้งใจอยากจะเป็นผู้มีบารมีด้านปัญญามากผมจะทำอย่างไรถึงจะสำเร็จครับและมีโอกาสจะสำเร็จไหมครับก็ต้องอยู่กับผู้รู้อยู่กับคนที่ฉลาดให้คม บ, บัณฑิตอย่ากกับคบคนโง่นี่คือจุดแรกต้องไปอยู่กับคนฉลาดคนที่มีความรู้มากคนที่มีความรู้มากก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปบวชถ้าอยากจะได้ ไปอยู่กับพระไปอยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ยินได้ฟังคำสอนความรู้ต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะฉลาดขึ้นมาเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือถ้าเราไปโรงเรียนเราก็จะได้ความรู้ถ้าเราไปบ่อนเราก็จะได้การพนันแั้นเจะไม่ได้ความรู้ คนที่เขาได้ความรู้เข้าไปเรียนกันทั้งนั้นอ่ะเขไปจบเป็นญาตีโทเอกตามมหาลัยต่างๆแต่นั้นเป็นความรู้ทางโลกยังสู้ความรู้ทางธรรมไม่ได้ความรู้ทางโลกนี่ท่านเรายังเรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์แต่ความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าเราอยากจะต้องการความรู้ที่แท้จริงต้องเอาความรู้ทางธรรม ว่าเป็นความรู้ที่จะปลดเปลื้องให้เราออกจากกองทุกข์ต่างๆความรู้ทางโลกจะทําให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไปคําถามจากคุณมุกดาทําบุญแล้วควรอธิษฐานแบบไหนถึงไม่ใช่ความอยากคะการเวลาจะทําบุญก็ให้อธิษฐานว่าจะขอทําบุญไปตลอดชีวิตนี่อันนี้ไม่เป็นไม่เป็น ไม่เป็นอะไรเมื่อกี้เขาว่าไม่เป็นกิเลสเนี่ยไม่เป็นความอยากความอยากในทางที่ดีได้แต่อย่าไปอยากในทางที่ผิดอยากในการทําบุญเนี่ยก็ให้เราได้ทําบุญไปตลอดชีวิตทําบ่อยๆทํามากๆให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนั้นเพราะการทําบุญแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับเราเกิดความสดทางใจเกิดการดับความอยากต่างๆได้ในระดับนี้ ้เวลาทำบุญก็ให้คิดว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆข้าพเจ้ามีเงินเมื่อไหร่จะเอาไปซื้อกระเป๋าก็ขอเอาไปทำบุญทันทีจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทันทีให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้คำถามจากคุณกัสเวลานั่งพุทโธพุทโธแล้วบางครั้งคิดเรื่องอื่นไปด้วยหลายเรื่อง พอพยายามจะหยุดรู้สึกตึงๆควรทําอย่างไรจะเข้าสมาธิได้คะบางครั้งรู้สึกท้อแต่ก็พยายามทําทุกวันบ่อยๆคะ่ะก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดคิดก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธไปใหม่ๆมันจะดึงกันไปดึงกันมาเหมือนชักกระเยาะกัน ต, ตอนนี้กําลังเวลาเริ่มต้นใหม่ๆความคิดมันมีกําลังมากพล ก, กําลังพุโทโธยังมีน้อยอยู่มันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหัด ฝึกพุทธโธไปเรื่อยๆทั้งวันเนี้ยเราจะมีกําลังมากขึ้นงั้นอย่ามาพุทธโธเฉพาะตอนเวลาเรานั่งต้องพุทธโธตั้งแต่เตะขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็สู้กับมันเลยมันจะคิดเราก็พุทธโธไปทําอะไรก็พุทธโธไปแล้วพอเดี๋ยวถึงเวลานั่งมันก็จะมีกําลังสู้กับมันได้คํถาถามจากคุณนุชนาฏถ้ายุบหนอพองหนอได้ใช่ไหมคะได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ดูโนมที่ปลายจมูกก็ได้ หหหาาาาายยยยใใใจจจจจเเข้้้้้กกกกก็็รรรรรููรููตตงงปปลลมมอออุ่อดดีวคำ ถ, ถามจากคุณวรัญญาองค์เทพในร่างทรงมีจริงไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยทรงไม่เคยเข้าร่างทรง <c oughs> เรไม่ไดต่อเลยคำถามจากคุณบัวทิพย์พอมาสนใจการนั่งสมาธิมากขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานแล้วแต่เรายังต้องดูแลครอบครัวอยู่จะต้องทำอย่างไรคะ ก็ทำให้น้อยลงไปก่อนแล้วก็บอกครอบครัวว่าเตรียมตัวช่วยตัวเองแน่แล้วนะจะไปแล้วพราะเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันจากกันอย่างน้อยนี่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวได้คาถามจากคุณไกรลินตอนนี้ผมนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจบ้างนั่งบริกรรมพุทโธบ้าง บางครั้งก็ฟังเสียงธรรมบ้างผมอยากทราบว่าแบบไหนจะเข้าสู่ความสงบได้ดีที่สุดครับเอาแบบเดียวแบบเดียวคือให้อยู่กับบริกรรมอ่ะดีที่สุดหรืออยู่กับลมหายใจแต่ถ้าอย่าอยู่กับคําบริกรรมไม่ได้ยังดูลมหายใจไม่ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนกล่อมใจให้มันสงบในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูลมค่อยมาบริกรรมพุทโธ คำถามจากคุณน้ำฝนหากนั่งสมาธิแล้วเห็นกายตัวเองเน่าเฟะเหมือนซากศพบางครั้งรู้สึกกลัวควรทำอย่างไรคะก็อย่าเพิ่งไปเห็นให้อยู่กับพุทโธให้นั่งแล้วอย่าไปมองอย่าไปดูอะไรถ้าเรายังไม่มีสมาธินีจใจเราจะอ่อนไหวแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ให้เวลานั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจไปรูไปเห็นอะไรต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาจะเบน เป็นกางเป็นอุเบกขาได้ต้องมีอะไรควบคุมใจมีพุโทโธควบคุมใจมีลมหายใจควบคุมยังได้อย่างหนึ่งไม่ได้ต้งสองอย่างที่ทพูดนี่เดียอาจจะคิดว่าสองอย่างลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะปนกันก็ได้วิธีใดก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้นหมดแล้วแหละวดีก็พอสมควรแต่เวลานะ วันนี้ก็ขอให้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั